ตั้งเป้าพูดให้เข้าใจง่ายยิ่งต้องพูดเรื่องยากให้เข้าใจง่ายขึ้นเท่าไหร่ยิ่งต้องรู้รอบยิ่งต้องฉลาดในการคิดมากขึ้นเท่านั้นนั่นแปลว่าถ้าพูดให้เข้าใจง่ายได้ทุกครั้งแปลว่าคุณมีความฉลาดทางการคิดสูงมากคนฉลาดหลายหลายคนถูกมองข้าม เพียงเพราะหมกจมอยู่กับความคิดภายในจนดูทึบทื่อไม่เปล่งประกายความฉลาดออกมาทางบุคลิกภายนอกตรงข้ามกับบางคนที่คิดอะไรได้น้อยกว่าแต่กลับเปล่งประกายความฉลาดฉายชัดทางแววตาที่คมสุ้มเสียงที่สดใสกับบุคลิกทรงพลังเพียงเพราะเปิดใจมองด้านดีรอบตัวจนเจอจ้าจากภายใน เห็นได้ด้วยสายตาภายนอกเมื่อต้องสัมภาษณ์งานให้ดูเหมือนแต่งหนึ่งเมื่อต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนหมู่มากคนฉลาดจัดหรือฉลาดจริงไม่มีเวลาพอจะพิสูจน์ตัวเท่าคนที่ดูฉลาดคนที่ดูฉลาดจึงมักได้โอกาสคว้างานชนะใจมวลชนหรือกระทั่งมีโอกาสเอาเปรียบคนฉลาดกว่า เพียงเพราะคนฉลาดกว่าดูโง่กว่าความเป็นจริงโลกนี้มีคนที่ฉลาดจริงแล้วก็ดูฉลาดด้วยเพล็ดลับง่ายๆคือเมื่อฉลาดแล้วต้องไม่เห็นความสำคัญแค่ความคิดที่ซับซ้อนแต่ต้องเห็นความสำคัญของอารมณ์ที่กระจ่างใสไปด้วยอารมณ์กระจ่างใสทำให้ความคิดใสกระจ่าง ความคิดใสกระจ่างทำให้แววตาเปล่งประกายกระจ่างใสอารมณ์กระจ่างใสจะดึงจิตคุณออกจากโลกของความเคร่งเครียดซับซ้อนมาร่าเริงอยู่กับการคิดสร้างสารรค์อะไรดีๆร่าเริงอยู่กับการหาวิธีผู้สื่อสารสนุกๆร่าเริงอยู่กับการเร้าใจให้คนอื่นอยากรู้ตามอารมณ์กระจ่างใส จะไม่ผลิตคําพูดหรือประโยคที่ชวนจิตตกไม่ผลิตคําพูดวกวนเข้าใจยากไม่ผลิตคําพูดที่เต็มไปด้วยสับแสงส่วนเกินแต่จะเลือกคําที่ฟังแล้วยกจิตยกใจเข้าใจง่ายๆใช้สับแสงเท่าที่จําเป็นจริงๆอารมณ์กระจ่างใสเกิดไม่ได้หากเอาแต่มกมุ่นครุ่นคิดถึงแต่เรื่องที่ตัวเองต้องการ เกิดได้จากการรู้จักคิดแบบเป็นที่ต้องการของคนรอบตัวอารมณ์กระจ่างใสเกิดไม่ได้หากตั้งหน้าตั้งตาพูดอะไรตามใจนึกแต่เกิดได้จากการฝึกส่องมองให้เห็นจุดที่คนอื่นยืนอยู่ไม่ใช่เห็นแต่จุดที่ตัวเองยืนเหมือนเสือติดกับดักอยาก่าเผลอทึกทักตามวิสัยคนฉลาดไม่จริงว่า ถ้าใครไม่ยืนจุดเดียวกับตนแปลว่างโง่กว่าตนหลับการคิดในแบบที่ก่อให้เกิดอารมณ์กระจ่างใสใช้เวลาเรียนรู้ไม่กี่นาทีก็เข้าใจแต่อาจต้องใช้เวลาฝึกหัดกันครึ่งชีวิตกว่าจะเข้าให้ถึงอารมณ์กระจ่างใสก่อนพูดได้ทุกครั้งตั้งเป้าแก้ปัญหา ปัญหาอยู่ตรงหน้าปัญญาอยู่ตรงนี้วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ปัญญาอยู่กับตัวอย่าวิกฤตคือถอดอารมณ์ทิ้งออกจากใจเหลือแต่เป้าหมายไว้ในหัวเมื่อในหัวมีต่เป้าหมายสมองมนุษย์ค่อยเริ่มทำงานอย่างเป็นระบบได้ไม่ยกเอาอารมณ์มาเพิ่มความยุ่งเหยิงให้ปัญหา จะจะเห็นวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผลอ่านทางแก้ออกได้เป็นขั้นเป็นตอนปัญหาของการเริ่มแก้ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ความยากง่ายของปัญหาแต่อยู่ที่คนส่วนใหญ่ถอดอารมณ์ทิ้งกันไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เบื่ออารมณ์สับสนหรืออารมณ์ข้างแขน็นเพื่อจะทำให้อารมณ์เบื่อคลี่คลาย ต้องรู้จักฝึกเลือกเส้นทางสนุกในการแก้ปัญหาอาจเป็นการศึกษาแนวทางของคนมีไฟทํางานหรืออาจง่ายๆแค่ท้าทายตัวเองให้แก้ปัญหาเสร็จเร็วขึ้นเพื่อจะทําให้อารมณ์สับสนหายไปต้องมีวิธีแน่นอนที่จะทําให้หัวโล่งอาจเป็นการเปล่งเสียงสวดมนจนกว่าใจเป็นสุข ตั้งใจหาความสุขจากแก้วเสียงอันศักดิ์สิทธิ์มักขับไล่ความทุกข์จากคลื่นสมองอัปมงคลได้เสมอจะทำให้อารมณ์ข้างแขนดับสนิท ต, ต้องหัดแปลงไฟโกรธเป็นพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าความอัดอั้นข้างแขนในอกในใจเป็นพลังบิดชนิดหนึ่งเหมือนเชื้อเพลิงปริมาณมหาศาล ถ้าถูกกำหนดทิศทางด้วยโทสะก็เท่ากับปล่อยให้เป็นพลังทำลายล้างใหญ่โตแต่ถ้าถูกกำหนดทิศทางด้วยเป้าหมายดีๆที่ตั้งไว้ล่วงหน้าก็เท่ากับควบคุมพลังให้เกิดการสร้างสรรค์อย่างใหญ่หลวงพลังสร้างสรรค์ต่างจากพลังทำลายตรงที่คุณรู้สึกได้ถึงการขับดันไปข้างหน้าไม่ใช่กดดันให้อยู่กับที่ และยิงไม่ใช่ผลักดันให้ถอยไปข้างหลังทุกครั้งที่ถอดถอนอารมณ์ลบได้เด็ดขาดคุณจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นเช่นหลายหลายปัญหาทางใจนั้นมีทิฏฐิมานะเป็นอุปสรรคขวางความสุขอยู่ดังนั้นเพื่อแล ก, กับความสุขก็แค่ทิ้งทิฏฐิมานะซะให้เกลี้ยงใจก็จบ สมองที่คิดได้ว่าจะแก้ปัญหาเลงที่จะแก้ปัญหาไม่ว่าต้องแลกกับอะไรจะก่อให้เกิดภาวะทางใจแบบหนึง่งคือรู้สึกว่าทิฐิมานะเบาลงราวกับของไร้น้ำหนักแล้วก็เป็นเรื่องเบาๆสบายๆที่จะทิ้งทิติมานะบางๆไปเมื่อล้างอยากใยญ่ออกจากตาให้หายเคืองหายระคาย สิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือภาพเป้าปัญหาอันชัดกระจ่างร่างงานพร้อมให้กุ้งเข้าไปทำลายทิ้งโดยปราศจากสิ่งกีดขวาง